มาบรรยายเรื่องโลพาพิวัตรโดยท่านววชิระเมธีบรรยายนะธรรมสภาสูนิปัสนาสากลไรเชิญตะวันเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2558ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดฟังด้วยความเคารพณบัดนะนี้ โลกนี้มีวิชามากมายเหลือเกินให้เราได้เล่าเรียนแต่วิชาที่ว่ามากมายเหลือเกินนั้นโดยมากก็เป็นวิชาสำหรับท ร, รมหากินเป็นทักษะในการทำมหากินทักษะในการทำมหาเงินแต่น้อยนักที่จะเป็นทักษะในการทรมหาธรรม น, น้อยนักที่จะเป็นทักษะวิชาชีวิต และดังนั้นเราจรึงได้เห็นคนที่สำเร็จการศึกษาทางโลกสูงสูงแต่ก็ยังคงมีความทุกข์ยังคงมีความล้มเหลวยังคงช่อฉชนกลโกงยังคงเต็มไปด้วยเล่เพทุบายยังคงเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์และยังคงค่มเห็งรังแก อย่าว่าแต่คนอื่นแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองคนจำนวนไม่น้อยมีชีวิตสักแต่ว่ามีชีวิตโดยแทบไม่เคยรู้ว่าแก่นสารของการมีชีวิตคืออะไรมีมนุษย์จำนวนมากเก่งเหลือเกินในการสแสวงหายศทรัพย์อำนาจ แต่ครั้นมียศทรัพย์อำนาจแทนที่จะรู้จักอิ่มรู้จักพอเปลี่ยนยศทรัพย์อำนาจให้เป็นคุณภาพชีวิตก็กลับกลายเป็นธาตุของยศยศทรัพย์อำนาจที่ตัวเองเฝ้าสแสวงหามาทั้งชีวิตอุ้มเทวดุทิศกายทิศใจสแสวงหายศทรัพย์อำนาจมาตลอดชีวิตด้วยหมายใจว่าเมื่อมียศทรัพย์อำนาจแล้วก็จะค้นพบความสุข ปรากฏว่ายิ่งมียิ่งทุกข์บางคนแทบไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่งงานมีลูกแก้วเมียขวัญก็แทบไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันสิ่งที่เรียกว่าชั่วโมงทองคำคือโมงยามที่แสนงามระหว่างคนอันเป็นที่รักระหว่างพ่อแม่ลูกสามีภรรยาปู่ย่าตายายและลูกหลาน แทบหาไม่เจอเราเอาแต่วิ่งวิ่งวิ่งและดุมเดินไปข้างหน้าเพื่อสะสมสิ่งซึ่งวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นส่วนทรัพย์อันเป็นแก่นสารนั้นเราแทบไม่เหลือบตามองหลายคนอุทิศตนทามาหากินแทบล้มประดาตายจนกระทั่งมีเงินมหาศาล ปรารถนาว่าจะใช้เงินมหาศาลนั้นทําให้ตัวเองมีความสุขครั้นถึงวันที่มีเงินมหาศาลกลับไม่เหลือสังขารที่จะใช้เงินนี่คือสภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ซึ่งเอาแต่ทํามาหากินโดยหลงลืมการทํามาหาธรรมและดังนั้นชีวิตของเราส่วนใหญ่จึงเป็นชีวิตที่สูญเสียสมดุล สิ่งที่เรียกว่าสมดุลงานสมดุลชีวิตคือสิ่งที่เราทําหล่นหายส่วนสิ่งที่เรามีอย่างล้นเหลือเฟืองฟายคือยศทรัพย์อํานาจนั้นเอาเข้าจริงแทบไม่ช่วยอะไรเราเลยจริงอยู่มันทําให้เรามีความสุขแต่ก็เป็นความสุขที่เป็นดังหนึ่งเหยื่อที่มาพร้อมกับเบ็ดเวลาที่ในพรานเบ็ด เสียบเหยื่อตัวอ้วนๆเกาะไว้กับเบ็ดอันคมกริบย่อนลงไปในน้ำปลาโ ง, ง่ๆเห็นข้าวน้ำลายสอตาลีตาเหลือกยั่งกันงับเหยื่ออ้วนๆ น, น, นั้นแล้วก็กลืนลงท้องไปทั้งๆที่ตัวเองกลืนเหยื่อที่มาพร้อมเบ็ดซึ่งมีอนาคตอันแน่วแน่ว่ายังไงจะต้องทุกข์ ถึงขน้นก็ยังยโสโอหังอวดโอยกตนข่มคนอื่นว่าเรานั้นมีอยู่มีกินอย่างอิ่มหมีพีมันครั้นในพรานเบ็ดกระตุกเหยื่อถึงได้รู้ว่าอาหารอันโอชะแท้ที่จริงก็คือความทุกข์ที่พรังตัวมาสู่ชีวิตของเรา ชีวิตของเรานั้นสั้นนะฉะนั้นเราต้องมีทักษะในการใช้ชีวิตที่แสนสั้นนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าเสียเวลาไปงับเหยื่อเข้าอย่าเสียเวลาไปหลงกับเปลือกของชีวิตเราต้องเรียนให้รู้ว่าอะไรคือเปลือกของชีวิตอะไรคือแก่นของชีวิตอะไรคือหัวขนอะไรคือหัวคนอยกให้ออก ซึ่งอาจารมภาพได้พูดเกร่นนำมาเมื่อวันก่อนเรียบร้อยแล้วคนส่วนมากมีชีวิตแต่จับประเด็นของการมีชีวิตไม่ได้หลายคนอยู่มาจนแก่จนเฒ่าชวนเจียนจะล่วงลับดับขันไปก็ยังไม่รู้ว่าอะไรคือแก่นสารของการเกิดมาเป็นคนกับเขาชาติหนึ่ง คนบางคนก็ไปหลงอยู่ในลากบางคนก็ไปหลงอยู่ในทรัพย์บางคนก็ไปหลงในอำนาจหลงในยศทรัพย์อำนาจจนลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพชีวิตและโลกทั้งโลกในเวลานี้นะเป็นโลกที่ถูกหลอกล่อถูกหลอกล่อ ให้กินให้ดื่มให้สืบพันจนโลกที่อุดมสมบูรณ์ทำท่าว่าจะเต็มไปด้วยวิกฤตและสงครามโลกครั้งที่สามกำลังก่อตัวทอตามองออกไปสีตอนนี้รัเสเซียส่งขีปนาวุธไปถลม่มซีเรียสหรัฐอเมริกาพี่ใหญ่ของโลก ก็สนับสนุนอาวุธให้กับกลุ่มกบฏหลายๆกลุ่มขณะเดียวกันก็เล่นอีกบทหนึ่งคือเป็นผู้สถาปนาสันติภาพในนามของประชาธิปไตยแล้วก็เข้าไปปลดปล่อยประเทศต่างๆซึ่งเอาเข้าจริงก็ตัวเองนั่นแหละอยู่เบื้องหลังประเทศมหาอำนาจอีกหลายๆประเทศก็จัดแสดงแสนยานุภาพโชว์ข่มขูคุกคามเพื่อนบ้าน วัฒนธรรมตะวันออกกับวัฒนธรรมตะวันตกก็มาคลาคือปะทะกันอเมริกาก็พยายามจะทําให้โลกนี้มีวัฒนธรรมเดียวเกิดสภาวะที่เรียกว่า americanization อยากจะให้อาหารที่เหมาะกับคนอเมริกันนั้นเหมาะกับคนทั้งโลกด้วยฉะนั้นเมื่อเราทําผิดกฎธรรมชาติธรรมชาติก็คือโลกนี้เต็มไปได้วยความหลากหลายพอเราอยากจะให้โลกเนี่ย มีความหลากหลายน้อยลงแล้วสมาทานวัฒนธรรมหรืออารยธรรมใหญ่ๆที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดเพียงอารยธรรมเดียวก็เกิดการประทาดและต่อต้านนั่นหละโลกในเวลานี้กำลังบ่ายหน้าไปในทิศทางเช่นนั้นคือตกอยู่ในโลกคนถูกยั่วให้อยากแล้วก็หลอกให้ซื้อลำพังความอยากธรรมดาธรรมดานี่ มันก็เสือกใสไล่ส่งเราให้ดิ้นรนจนแทบไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ได้หลับไม่ได้นอนเรายังถูกกระตุ้นด้วยความอยากเทียมอีกนะทุกวันนี้นะความอยากเทียมเนี่ยมาในรูปแบบของการโฆษณาถ้าไม่เชื่อท่านไปดูคลิปอะไรก็ได้ในยูทูบก่อนจะถึงคลิปมันก็ต้องมีโฆษณาก่อนใช่ไหมบางคลิปนี้ ซั์เราตรงๆเลยนะบอกเราเลยว่าอย่ากดเปลี่ยนให้ดูเขาก่อนขอกันซึ่งๆหน้าเลยให้ฉันได้โฆษณาให้ฉันได้พูดก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปที่อยู่ข้างในอันนี้คือสภาวะโลภาภิวัตแปลว่าความโลภแผ่ครอบโลกทั้งโลก คานธีเคยพูดว่าทรัพยากรทั้งโลกมีพอที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งโลกแต่ไม่พอที่จะหล่อเลี้ยงคนละโมบเพียงคนเดียวคำถามก็คือทุกวันนี้ไม่ได้มีคนละโมบคนเดียวมีกี่คนสตีเวนฮอวกิงนักวิทยาศาสตร์เรืองนามชาวสหาราชาณาจักรหรืออังกฤษ ว่าการว่ามีปัญญาเป็นที่สองรองจากเอาเบิร์อไอส์สไต์เพิ่งให้สัมภาษณ์เร็วๆนี้กับพูดถึงสถานการณ์ของโลกว่ากาลังวิกฤตมนุษย์จะเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 ันล้านในอนาคตอันใกล้ไม่กี่ปีวิกฤตอาหารกำลังรออยู่วิกฤตพลังงานกำลังรออยู่วิกฤตสิ่งแวดล้อมกำลังคุกคามมนุษยชาติฮอวกิงบอกว่าเราจาเป็นจะต้องสแสวงหาดาวดวงใหม่ ถ้าอยากให้มนุษยชาติรุ่นหลังจากพวกเรามีอนาคตที่ดีอาตมาพา อ, อ่านแล้วก็สะเทือนใจสะเทือนใจว่าถ้ามนุษย์ยังอยู่ในสภาวะโลภาพิวัติคือความโลภครอบงำจนไม่ลืมหูไม่ลืมตาอย่างนี้นะไปอยู่ดาวดวงใหม่ดวงไหนก็ได้นะภ า, ายในสิบปีก็เกลี้ยงเลยนะดาวดวงนั้น ไปด้วยนิสัยแบบนี้นิสัยที่โลบโมโทสันแบบที่เห็นทุกวันนี้นะรับรองดาวดวงไหนก็ดวงนั้นแหละราพนาศูนย์ความโลภเนี่ยเข้าที่ไหนก็แตกที่นั่นแหละความโลภทุกวันนี้อาจจะไม่ได้มาในนามของคาว่าความโลภความโลภอาจจะเป็นคำที่ชวยละทุกวันนี้ความโลภใส่เสื้อกลุมตัวใหม่ เขามีชื่อใหม่ว่าคอร์รัปชันใช่ไหมองค์กรของเราก็ทำท่าจะเจนอยู่เจียนไปนะบางครั้งอาตมาก็คิดอาตมาอยากจะซื้อเลยอยากจะเทคโอเวอร์แล้วมาบริหารเองขอหนึ่งปีเท่านั้นถ้าอยู่ในมือดอามานะหนึ่งปีดีวันดีคืนเลย แต่ทำไมเราถึงทำไม่ได้ก็เพราะว่าความโลภนั้นได้พรางตัวมาในนามของคำว่าคอร์รัปชันกลืนกินกลืนกินอวัยวะต่างๆขององค์กรต่างๆในโลกนี้และโลกทั้งโลกในเวลาเนี้ยถูกกระทําโดยความโลภหรือคอร์รัปชันวิกฤตวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์วิกฤตการเงินการคลังในยุโรปยูโรโซน ล่มกันเป็นแถบๆทั้งหมดนี้นะรากฐานมาจากอะไรความโลภเป็นเรื่องของความโลภเป็นเรื่องของโลภ พ, พิวัตเท่านั้นเองคุณจะเรียกชื่อมันว่าอะไรก็แล้วแต่แต่โดยรากฐานของมันก็คือมนุษย์ถูกยั่วให้อยากนะแล้วหลอกให้ซื้อหลอกให้บริโภคเกินความจําเป็นนี่ถ้าเปลี่ยบ ม, มนุษยชาติเป็นปลา ปลาตัวนี้ก็เป็นงับเบ็ดที่ชื่อความโลภเขาเต็มเป้าเวลาที่เราเดินทางไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือต่างประเทศเรามองดูเครื่องบินเรามองดูรถไฟฟ้าไม่ว่าจะบนเดินใต้เดินเราทอดตามมองดูแท็กซี่ตามท้องถนนเราจะเห็นเครื่องหมายการค้าเห็นตราสัญลักษณ์ เห็นกระบวนการยั่วให้อยากแล้วหลอกให้เสืออยู่ทุกหนทุกแห่งไม่เว้นแม้กระทั่งตาลปัดของพระใช่ไหมย่ามของพระมีการโฆษณาอยู่ทุกหนทุกแห่งฉะนั้นถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยเราจะตกไปสู่หลุมรางของความโลภทั้งทั้งที่มนุษย์นั้นมีเวลาสั้นนักนะแต่ความโลภที่เรามมเนี่มันกระตุ้นให้เราหาจนเกินกว่า ที่เราจะอยู่กินอยู่ใช้อายุเราแต่ละคนโดยเฉลีย่ยประมาณเจ็ดสิบห้าปีใครอยู่ถึงร้อยปีขอแสดงความยินดีด้วยนะอายุเราก็แค่เนี้ยอยู่กันไม่ถึงร้อยปีแต่ดูที่เราหาและดูที่เราสะสมสิเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน US เอสตลลา้านล้า น, ล, านล้าน US เอสลเศรษฐีบางคนมีเงินมากกว่า g d ดีประเทศไทย นับร้อยนับพันเท่าแต่คำถามคือแล้วคุณกินคุณใช้จริงๆเท่าไหร่อยู่กันไม่ถึงร้อยปีแต่สแสวงหานั้นดังหนึ่งจะมีอายุไปสักแปดหมื่นสี่พันปีหากันขนาดนั้นเจ้านะคำว่าพอนี่สะกดไม่เป็นแต่น้ายินดีที่ตอนนี้โลกเริ่มตื่นลสะสเกต ด, ดูรางวัลโนเบลไพรส์ที่ให้แก นักเศรษฐศาสตร์แต่ละปีแต่ละปีห้าปีมานี้มีทิศทางที่ชัดเจนมาให้รางวัลแก่นักเศรษฐศาสตร์ทางเลือกปีนี้ก็ให้รางวัลโนเบลไพรส์สาขาเศรษฐศาสตร์แก่นักเศรษฐศาสตร์ทางเลือกที่นำเสนอเรื่องความสุขมวลรวมสำคัญกว่าเรื่อง GDP อันนี้ก็แสดงว่าโลกเริ่มตื่นแล้วว่าเราจะมุ่งไปในทิศทางเดิมอย่างนี้ไม่ไหวคนก็ไม่มีความสุข มีเงินมากแต่มีความสุขน้อยมีตำแหน่งสูงแต่มีคุณภาพชีวิตต่ำเรื่องความโลภนี่มีคำสอนของพระพุทธองค์เยอะมากตรัดเล่าไว้อาตมาภาพนามาเล่าหลายครั้งมีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งพระพุทธองค์เล่าเรื่องพระเจ้ามรนธาตุมันทาตุราชมันธาตุ ชื่อคล้ายคนักเศรษฐศาสตร์มอลทัสอ่าใกล้ๆกันพระเจ้ามันทาตนี่เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเป็นอภิมหาจั ก, กรพรรดิยิ่งกว่านโปลเลียนยิ่งกว่าอาเล็กซานเดอร์มหาราชพระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนานมากนะแปดหมื่นสี่พันปีจินตนาการดูสิ และมีทรัพย์สินเสร็งแานมหาศาลพระองค์ทรงมีสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงมีได้มีปราสาราชวางังมีมหาอาาจักมียศทรัพย์อำนาจและมีแก้วเจ็ดประการอะไรดีๆเราเรียกว่าแก้วหมดเลยขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วม้าแก้วช้างแก้ว แก้วแก้วคือแก้วแห่งแก้วนะ่ะมณีรัตนะเรียกว่าแก้วแก้วและจากแก้วเด็ดสุดคือจากแก้วจากแก้วเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจถ้าเปรียบพระเจ้าจั ก, กรพรรดิมันธาตก็คงจะเหมือนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในเวลานี้คือเป็นมหาอำนาจของโลก ตรงนั้นมีเดชานุภาพมากอยากได้บ้านไหนเมืองไหนก็บอกจักแก้วให้หมุนใบนึกภาพจักแก้วออกไหมถ้านึกไม่ออกยมนึกถึงดโดรน <c oughs> ส่งดโดรนไปนะไปถึงบ้านไหนเมืองไหนก็ถามว่าจะรบหรือจะยอมแพ้ถ้ายอมแพ้ก็เป็นเมืองขึ้นถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองถวายเครื่องบรรณาการก็จบไม่ต้องรบไม่ต้องฆ่าไม่ต้องเปิด สงครามแต่ถ้าไม่ยอมจำนวนนะพระเจ้าจั ก, กรพรรดิก็จะส่งกองทัพยาตราเข้าไปเหยียบราบเป็นหน้ากลองฉะนั้นในรัชสมัยของพระองค์นั้นพระองค์ก็ครอบครองบ้านเมืองเรียกว่ามีอาณาเขตของพระองค์นั้นสุดลูกหงลูกตาจะดมหาสมุทรทั้งสี่สมัยโน้นถือว่ามีมหาสมุทรทั้งสี่ล้อมรอบ พืนแผ่นดินถิ่นที่โลกของเราตั้งอยู่พระองค์มีความสำราญบานพระทัยถึงเพียงนั้นแต่ก็ยังไม่พอแลวพระองค์นั้นมีอนุภาพมากถ้าอยากได้เงินนะทรงปลบมือนะปลบมือสามครั้งเงินทองจะตกลงมาดังหนึ่งหาฝนจะเอาสูงท่วมหัวแข้งหัวเขายมก็ปลบให้มากๆปลบสามครั้งมันก็เลยตัดตุ่มขึ้นมาสี่ครั้งก็ถึงนองห้าครั้งถึงหัวเขา่า ปรบสิบครั้งเงินทองกองจุงท้าบั้นเอวนะ่ะเห็นไมไม่ต้องไปรูดปืนที่ไหนปรบมือทีหนึ่งเนะพลาตินัมการ์ดหล่นจากฟ้าเลยเงินไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนล้านยูเอสดอลลาร์กดได้ไม่จำกัดพระองค์ทรงพรัง่งพร้อมไปได้วยทรัพย์สินสงริงการถึงเพียงนี้แต่แล้วหาพอพระไทยไมยอยู่ต่อมาพระองค์ทร ง, ทรงพระเสงีย่ยงหนัก ก็นำมาหาราชอาณาจัก์ไม่เจอขอใช้อย่างนี้ไปพลางๆนะทรงเอ็นห า, า, าพระอาทิตย์เรียกง่ายๆว่าทรงพระเซ็งเพราะรวยรวยจนเซ็งหันไปทางไหนก็รวยรวยจนเซงชีวิตไม่ท้าทายอีกแล้วเผลอปรบมือหน่อยเงินทองก็ร่วงลงมาจากฟ้าอย่างกระหฝนตบที่หนึ่งร่วงมาสามวันเจ็ดวันไม่มีที่เก็บเงินเก็บทอง ขยับจับทำอะไรก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอกเป็นใจให้หมดชีวิตหมดความท้าทายอันนี้เรียกว่าทรงพระประชวนเพราะทรงรวยจนสิงเราเคยป่วยด้วยโรคนี้ไหมอยากไหมอยากลองดูรวยจนสิงเราเป็นยังไงจนจนสิง พอเซ็งมากๆ ม, มันก็ชินพระองค์ทรงเส็งพระทัยมากจึงเรียกประชุมเปิดสภาวิสามันถามว่ามีใครที่ไหนที่ยิ่งใหญ่กว่าเราอีกไหมในโลกนี้เราอยากจะยากตระทับไปรบกับมันชีวิตจะได้มีความท้าทายบ้างมีรัฐวิสาหกิจไหนไหมที่อยากเชิญเราไปเป็นประธานบ o a r d เราอยากบริหารมากเลยองค์อรเรามันกระชอกมันแค่สวนยอมบนแผนที่โลกนะอันนี้พระเจ้ามันทาดพูดนะมหาเล็กก็ะูนว่ามหาบาพิตรใต้ฝ้าสุธาทานนี้ไม่มีอีกแล้วใครที่จะมีเดชาอนุภาพทัดเทียมพระองค์ จะมีอยู่ก็ที่หนึ่งนั่นก็คือบนฝากฟาณภากาศก็คือสวันร์ทั้งหกชั้นนั่นพรุงก็บา่างั้นหรือในโลกนี้ไม่มีอะไรท้าทายแล้วใช่ไหมสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียรัสเซียสหราชนจักรไฮแรน ประเทศเหล่านี้เนี่ยเราปราบซะ ร, ราบคาบไม่มีอะไรให้เราท้าทายอีกแล้วถ้าเช่นั้นทหารทั้งหลายราชวงการักทั้งหลายมหาเล็กทั้งหลายเราไปพิชิตสวรรค์กันก็เลยให้จักแก้วนำขึ้นสวรรค์เหาะขึ้นไปจักแก้วนำขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งทรงครองราชอยู่ที่นั่นแปดหมืนสี่พันปี มีความสุขสำราญพระราชารถไทยเหลือเกินทั้งไลน์ทั้ง facebook ทั้งวั s a p p มีมดูดอะไรที่จะสนองพระองค์ท่านนะหาได้ทุกอย่างบนนั้นและเพราะชีวิตที่สะดวกสบายเหลือเกินในที่สุดวันหนึ่งพระองค์ก็ส่งพระเสงอีกเรียกประชุมสภาวิสามันถามว่าบนสวรรค์นเนี่ยยังมีสวรรค์ชั้นไหนอีกไหมเด็ดกว่านี้ทหารมหารเล็กก็บอกว่า งั้นคงต้องไปดาวัดึงแล้วเพราะว่าที่นั่นมีพระอินทร์สามสิบสามองค์เป็นซ e โออยู่ดาวะดึงมาจากภาษาบาลีว่าเตติงสะเตติงสาแปลว่าสามสิบสามอดีตของพระอินทร์สามสิบสามองค์นั้นเป็นคณะทำงานที่เรียกกันว่าเป็นมูลนิธิบำเพน กุศล ส, สาธารณสงเคราะห์ในโลกมนุษย์ตั้งมูลนิธิช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ทำกิจการสาธารณกุศลทุกรูปแบบเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นสาสสามคนฉะนั้นพอตายแล้วจึงได้ไปเป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแปลว่าพระอินทร์หรือเทวดาสาสาองค์อยู่รวมกันที่นั่นก็แบ่งเขตแบ่งโซนกันปกครองสสามองค์ ลือกันว่าแต่ละองค์นะมีนางฟ้าเป็นบริวารองค์หนึ่งก็หลายหมื่นนางอัามานําเรื่องนี้ไปเทศที่ยุโรปพระฝรั่งรูปหนึ่งมานั่งฟังด้วยท่านยกมือเลยท่านบอกว่าท่านวอเรื่องนี้ผมคนหนึ่งแล้วที่ไม่เห็นด้วยทําไมผมเคยแต่งงานและมีเมียเพียงคนเดียวมันเอาผมจนตน้องหนีมาบวช แล้วพระอินทร์หนึ่งองค์มีนางฟ้าเป็นบริวารมื่นนางถ้าเป็นอย่างนั้นผมคนหนึ่งขอไม่ขึ้นสวรรค์ <c oughs> เรื่องนี้จะจริงเท็จประการใดไม่ใช่สาระสําคัญสาระสาคัญก็คือท่านต้องการจะเล่าว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นสะดวกสบายสําราญบานใจเหลือเกินเป็นดินแดนแห่งความสุขเป็นดินแดนสุขาวดี เมื่อได้ยินอย่างนี <S S ้พระเจ้าจักรพรรดิก็บอกว่าอืมงั้นก็ท้าทายหน่อยเอาละเราขึ้นไปประกาศเคอร์ฟิวบนนั้นเลยก็ให้จักแก้วนำขึ้นไปพระอิน33สามสิบสามองค์เทวดาสาสิบสามองค์นั้นฉลาดมากหูตากว้างไกลและก็แน่นอนอาตมาชื่อว่าท่านมีดาวเทียมดังนั้นจึงล่วงรู้มาก่อนว่าพระเจ้ามันธาตุได้ยึดสวรรค์ชั้นที่หนึ่งมาแล้ว 84,000 พปีและเทวดาทุกองค์ไม่มีใครต่อก่อนฉะนั้นพระอินทร์ทั้งสาองค์ก็จึงเรียกประชุมด่วนแล้วก็ตกลงหารือกันขึ้นมาทันทีที่พระเจ้ามันทัศจกกักรพัทขึ้นมาถึงปับ๊บจัดถแถลงข่าวตั้งโต๊ะถวายปรกกาวิเศษเชิญพระองค์ท่านเซ็นเอ็มโออยู่เป็นที่มาของคำว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่ง ร่ก็ครองราชอยู่ตรงนั้นแปดหมืนสี่พันปีร่วมกับพระอินทร์สามสิบสามองค์อยู่มาแปดหมืนสี่พันปีวันหนึ่งทรงฉุกพระทัยขึ้นมาได้ว่าเรื่องอะไรที่เราจะต้องมาแบ่งสวรรค์กันครอบครองทําไมเราไม่ครองเองในเมื่อเราก็ทําได้ใช่ไหมมีคนของเราอยู่ทุกหนทุกแห่งใช่ไหมเราก็ยึดเลยสิเรียกจากแก้วมาแล้วก็ ถ้าจะกแก้วนำไปหาพระอินท์คิดขึ้นมาว่าเรามีเดชาอนุภาพพอที่จะครองสวรรค์ทั้งหมดครองมันทุกทุกชั้นนั่นแหละ ไ, ไม่ใช่แค่ชั้นนี้พอคิดขึ้นมาแค่นี้ปรากฏว่าสวรรค์ไม่สามารถรองรับน้ำหนักหรือความเข้มข้นของความโลภในพระทัยของพระองค์ได้ผลก็คือเดชาอนุภาพของพระองค์เสื่อมทันทีทันขวันเพราะ ร่างกายและจิตใจของพระองค์นั้นแบกความโลภของพระองค์ไม่ไหวแล้วเมื่อแบกไม่ไหวกรรมฐานก็แตกสิเดชานุภาพก็เสื่อมหายวัตไปพระองค์หมดฤทธิ์หมดเดชทันเดือทันขวัญดังหนึ่งปูที่ถูกหักก้ามวัวที่ถูกหักขางูที่ถูกถอนพิษกษัตริย์ที่พลัดจากบัลลังก์พอพระองค์สิ้นเดชานุภาพเท่านั้นแหละพระองค์ก็ร่วง หมุนลูรูรูจากสวรรค์ชั้นดาวะดึงตกปก๊ลงมายัางโลกมนุษย์ในสภาพที่เรียกว่าเกินกว่าจะเยียวยิยาตกลงมาที่พระราชวังเก่าของพระองค์ซึ่งบัดนี้ล่วงการผ่านไปนานเหลือแสนมีใครก็ได้ก็หนึ่งผ่านมาพบแล้วก็ถามมาอู้ไอยุ่พระองค์ก็บอกว่าเราคือพระเจ้าจั ก, กรพรรดิซึ่งเคยครองเมืองนี้เอา้า แล้วพระองค์ท่านไปยังไงมาจางไงอะตกมานอนอยู่ตรงเนี้ยเรามาจากสวรรค์เอ้าแล้วทําไมถึงมาตกพังภาพหมอปราบคาบแก้วอยู่ในสวนเนี่ยดูสิเนี่ยพระองค์เนี่ยอาการเข้าขั้นตรีทูตนะเนี่ยตรีทูตคือเจนีนอยู่เจีนไปไงใกล้อันนิจังทุกขังอนัตตาอันเนี้ยตรีทูตเนาะยมยมลองคิดว่าคนตกจากสวรรคนะ์สภาพมันจะเป็นยังไงล่ะ อวัยวะทุกส่วนนี้เรียกว่าร้าวรานนะเกินกว่าที่จะประสานให้ติดกันได้แล้วพระองค์ทรงนอนจมกองเลือดใครคนนั้นก็ถามว่าพระองค์ไปยังไงมายังไงถึงมานอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้พระองค์ก็บอกว่าเราก็ชื่อมันทา จ, จากักรพรรดิซึ่งคนทั่วโลกก็รู้จักดีเราเคยเป็นเซเลบของเมืองนี้แล้วขึ้นไปครองสวรรค์ชั้นที่หนึ่งแปดมืสี่พันปี ครองดาวดึงแปดมืนสี่พันปีเอา้าแล้วทำไมพระองค์ตกมานี่ก็เพราะว่าเรามีความคิดว่าครองสวรรค์แค่นั้นมันน้อยไปมันกระจกเราอยากครองทั้งสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งหมดด้วยตัวเราเพียงคนเดียวพอเราคิดอย่างนี้อานาจของเราก็เสื่อมจึงตกมาที่นี่แหละใครคนนั้นก็บอกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเอา้าก่อนจะจากโลกนี้ไปพระองค์มีอะไรจะสั่งเสียไหม พระองค์ก็บอกว่าเออช่วยบอกมนุษย์รุ่นหลังด้วยว่าความอยากเนี่ยนะเติมยังไงก็ไม่เต็มนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะบอกต่อให้ฝนเงินฝนทองตกลงมากองเป็นภูเขาเรากาจ้างให้เติมอย่างไรก็ไม่เต็มกว่าที่เราจะเติมความอยากให้เต็มเราจะตายเสียก่อนนี่คือสารรักจากตัวเราพูดเสร็จพระองค์ก็สิ้นพระชนจากโลกนี้ไป เห็นหรือยังใครก็ตามที่อยากจะครอบครองมันทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างส่วนใครก็ตามที่อยากจะครอบครองเพียงบางสิ่งบางอย่างคนคนนั้นจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปตีความให้ดีคนที่อยากได้อะไรเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งหมดทั้งสิ้นสุดท้ายจะไม่เหลืออะไรเลยนโปเลียนมหาราชครองยุโรปไปครึ่งยุโรปแล้ว ยังไม่อิ่มไม่พอยาตราทัพอยากจะไปครองรัเสเซียอยากจะไปครองมันทั้งภาคพื้นยุโรปจากนั้นก็จะตะลุยเอเชียสุดท้ายพระองค์ก็แพ้ทางตัวเองไปปรชาชัยที่วอเตอร์ลูที่เบลเยียมเห็นไหมถูกจับไปปลอ่อยเกาะแล้วสิ้นพระชนอย่างน่าสมเพช ฉะนั้นใครก็ตามที่ตกเป็นทาสของความโลภสุดท้ายจะมีสภาพที่เรียกว่าศพไม่สวยเล่าเรื่องนี้แล้วทำให้นึกถึงอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เป็นเรื่องร่วมสมัยในยุคจักรกวรรดินิยมตะวันตกมาล่าอาณานิคม <c oughs> ก็จะส่งเรือปืนไปทุกภูมิภาคของโลกมีกัปตันคนหนึ่งได้รับมอบหมายจากพระราชาที่บดี ของตัวเองให้ไปบุกฝ่าพร้อมแดนแห่งใหม่พร้อมกับด้วยลูกเรือมากมายญาตราทับกันออกจากฝั่งไปยังพร้มแดนของโลกใหม่ระหว่างทางเกิดเรืออับปางลูกเรือกะลาสีเรือตายเกลี้ยงกับตันรอดคนเดียว กับตันรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งนอนซบหน้าอยู่ริมชายหาดยังเกาะร้างแห่งหนึ่งและก็มีมือผู้อาเรมาประคองตัวของเขาขึ้นไปบนฝั่งเขาถูกหิ้วปีกขึ้นไปบนฝั่งระหว่างถูกหิ้วปีกขึ้นไปบนฝั่งนั้นเขาเหยียบไปบนกรวดหินดินทรายซึ่งทําให้เขาตาลีตาเหลือกตาลึงเงนินเพราะกรวดหินดินทรายทั้งหมดที่เขาเหยียบนั้นคือเพชรเนินจินดา ที่แวววาวพราพรายแสบหงแสบตาจนเขาหายอ่อนเปียเพียวแรงทันทีถามคนที่หิ้วปีกตัวเองว่าอันนี้มันของจริงปะชาวเกาะก็บอกว่าจริงทั้งนั้นเลยเพชรนินจินดาเนี่ยนะจริงทั้งนั้นแล้วมีเยอะไหมทั้งเกาะ น, นี่แหละเอ้าแล้วท่านไม่เก็บกันหรือเก็บทาไมนี่สายนี่กรวดนี่หินโอ้โหแก ตื่นตะลึงขึ้นมาเลยรู้สึกหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยพอละท่านไม่ต้องประคองข้าขอจับมาดูสิเพชรโอ้โหก้อนเท่ากำปัน้นสักพักหนึ่งมีหมาวิ่งมาชาวเกาะหยิบเอาเพชรก้อนเบอรเริ่มปาหมามีไว้ปาหัวหมาหัวแมวเจ้ากับตันกนันตัตตาลีตาเลือวิ่งไปเก็บเพชรที่เขาเอาปาหัวหมา แล้วเขก็ลืมไปเลยว่าตัวเองอาการหนักหนาสาหัสเพราะตื่นตะลึงงานกับเพชรนินจินดาที่เกลือนเต็มเกาะเต็มชายหาดไปหมดวันรุ่งขึ้นเมื่อกินข้าวกินนะ้ำมีเรี่ยวมีแรงเขาออกเดินสํารวจไปทั่วทั้งเกาะโอ้โหไม่ใช่แค่เพชรนินจินดาที่เป็นก้อนขวดก้อ น, อนเห็นนะภูเขาเรากาปราดามีก็เป็นเพชรนินจินดาทั้งหมดทั้งสิ้นเขาคิดแผนชั่วเลยเพราะเขาเป็นคนที่โลภมาก ไปผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเกาะคุยกันจนกระทั่งว่าผูกเสน็จเป็นมิตรสหายวันหนึ่งก็ออกอุบายท่านหัวหน้าข้าจากบ้านจากเมืองมานานเหลือแสนข้าอยากกลับแล้วแต่ข้ากลับไม่ได้หรอกท่านจะกรุณาต่อเรือให้ข้าพระเจ้าได้หรือไม่ถ้าท่านทําได้ข้าพระเจ้าก็จะโดยสารเรือนี้ไปเฝ้าพระราชาของข้าพเจ้าจะ ทูลชิญเสด็จพระราชาของข้าพเจ้ามาเยือนอย่างเกาะของด้านเราจะกลายเป็นบ้านพี่เมืองนะ้องหัวหน้าชาวเกาะก็โอโหใจกว้างเป็นแม่นะ้ำจัดการต่อเรือให้หนึ่งลำต่อให้เสร็จเขาก็ขึ้นไปสำรวจเรือแล้วก็บอกหัวหน้าชาวเกาะว่าเรือลำนี้จะมีค่าเพียงผู้เดียวนั่งไปน้ำหนักอาจจะไม่สมดุลอยากจะค่อยขอรบกวนท่านขนกรวดหินดินทรายขึ้นมาทวงน้ำหนักสักครึ่งลำเรือ อูดไปมันก็น้ํำลายสอไปมันอยากจเจ้าเกาะเข้าตลาดหุ้นโอ้โหมันคิดถึงตลาดหลักทรัพย์เลยนะมันวางแผนว่าจะจดทะเ บ, บียนทั้งเกาะเป็นของมันเลยงานนี้ต้องเอาเข้าตลาดให้ได้นะวันนี้เจ้าเกาะก็ดีใจหายสั่งลูกบ้านทั้งหลายอา้าวช่วยกันขอนขอิดหินดินทรายขึ้นบรรจุให้เต็มลําเรือเลยเวลาเจอพายุจะได้ไม่มีปัญหาเรือมันจะได้ท่วงน้ําหนักนะ ก้อนหินก้อนดินเพชรนินจินดาของกระจอกพวกนี้มันจะได้ท่วงน้ําหนักเรือให้พอดีพอดีเอาขนขนกวดหินดินทรายซึ่งกลายเป็นเพชรนินจินดาเป็นทองเป็นเงินจรพัดขึ้นไปบรรจุทึ่งค้อลําเรือกับตันเดินสํารวจตรวจงานทําเอาไม่หลับไม่นอนหัวหน้าเจ้าเกาะก็ชมเป่าว่าโอ้โหท่านเป็นกับตันทั้งจิตวิญญาณจริงๆจริงๆมันไม่เหลือความเป็นกับตันละมันเหลือแต่ความเป็น พ่อขาจอมละโอบ ก, ก่อนที่จะออกเรือมันก็เดินตรวจไปตรวจมาความโลภกระตุ้นตอมโลภเจตสิกนะคือจิตได้สำนึกที่เป็นสัด ส, ส่วนของความโลภเราเรียกว่าโลภเจตสิกนะความโลภกระตุ้นโลภเจตสิกในจิตได้สำนึกต่อไปว่าเธอขออะไรก็ได้ถ้างั้นจะพอใจขอแค่นี้ทําไมขอมากกว่านี้สิ พวกเราเคมีมิตัญหาที่คอยกระซิบในหัวนะภาษาบาลีเรียกว่าอภิชภาแปลว่าตัญหาที่คอยกระซิบตัญหาที่คอยกระซิบมันกระซิบตลอดแหละเชื่อเถอะก็เลยลงมาหาหัวหน้าชาวเกาะบอกว่าท่านครับเมื่อผมกลับไปผมจะทูลเชิญพระราชาเสด็จกลับมาที่นี่ผมอยากได้กระต๊อบหลังเล็ก สร้างไว้ที่นี่เป็นอนุสอ์มาครั้งหนึ่งผมก็ได้มาอยู่มาอาศัยใต้ร่มบารมีของท่านนะเวลามันจะหลอกคนนี่มันใช้ภาษาเพราะนะชีวิตผมรอดมาได้ก็เพราะท่านจะให้ผมลืมท่านผมทำไม่ลงท่านครับผมอยากได้ที่ดินแปลงเล็กๆสร้างกระท่อมสักหลังหนึ่งเท่าแมวดิ้นตายเมื่อกลับไปเนี่ยผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ผมอยากพาลูกพาเมียผมมาดูใบหน้าของผู้ที่ช่วยผมให้มีชีวิตรอดชาวเกาะผู้เปลี่ยมด้วยน้ำใสใจจริงคนนั้นควรได้รับการขอบคุณจากลูกและเมียของผมโอ้หัวหน้าชาวเกาะก็ได้สิเอาเลยจะปลูกตรงไหนก็เลือกเอาสิบ้านของท่านอ่ะท่านก็เป็นเพื่อนเราอ่ะฉะนั้นตรงนี้ท่านอยากได้ตรงไหนท่านก็ชี้เอาเขายิ้มกลิ่มเนหน้าโง่ เราต้มจนเปื่อยแล้วมันยังเชื่ออีกโง่ขนาดนี้ต้องจัดหนักก็เลยถามต่อว่าเออแล้วที่เกาะเนี่ยเวลาเราจะวัดที่สร้างบ้านเนี่ยทํำยังไงมีมีตลับเมตรไหมต้องวัดกันยังไงหัวหน้าเจ้ากาะก็บอกว่าอุ้ยที่เกาะ น, นี้เหรอเขามีมีสายวัดไม่มีตลับเมตรอะไรหรอก ใครอยากได้ที่สร้างบ้านแปลงเมืองมันจะยากอะไรก็วิ่งออกไปสิหมดแรงตรงไหนนั่นล่ะที่ของท่านเข้าทางเข้าทางเลยเข้าทาง c ีโอเก่า <c ười> จริงเหรอวิ่งหมดแรงตรงไหนได้ที่ตรงนั้นสร้างบ้านเหรอใช่เราทำกันอย่างนี้ตั้งนั้นแหลนะนะซึ่งชาวเกาเขาก็วิ่งเหาะเาะไงเขาวิ่งเหาะเะ ได้นิดเดียวนะลงเสาสัก4ี่เสาหเสาแปดเสาสิบสองเสาเขาก็เอาแล้ววันรุ่งขึ้นหมอนี่เห็นช่องโหวของกฎหมาย <c oughs> อย่าคิดถึงเรื่องอื่นนะ <c oughs> จัดการกินข้าวอิมหมีพีมันหกโมงป๊งออกมาเลยใส่ชุดกีฬาออกวิ่งหัวหน้า้าเกาะและลูกบ้านลูกเกาะวิ่งตามขึงตลับแม่แทบไม่ทัน เพรามันไม่หยุดมันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งพอมันเหนื่อยมันก็แค่ชะลอถ้าหยุดปั๊บจบเกมนะเกมโอเวอร์เลยนะวิ่งวิ่งวิ่งพอเหนื่อยก็ชะลอชะลอชะลอวิ่งวิ่งวิ่งชะลอชะลอพอเที่ยงวันมันยังไม่หยุดถึงเวลากินข้าวไม่กินงานนี้มันจะกินไม่ได้โอกาสไม่ได้มาบ่อยครั้งนักใช่ไหมวิ่งเลยเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าหกโมงเย็น จวนเจียนจะจบท้ายเกาะออยูรอมาร์โรพระอาทิตย์กำลังราแสงเขาเหนื่อยอ่อนเต็มทีแต่ความอยากนั้นยังกระชุ่มกระ่วยเต็มที่กายนั้นเหนื่อยล้าเต็มทีแต่ความอยากนั้นเมื่อได้รับการเติมยิ่งเติมยิ่งไม่เต็มความอยากนั้นอุปมาดังหนึ่งไฟซึ่งไม่อิ่มด้วยเชือ้ออุปมาดังหนึ่งมหาสมุทรซึ่งไม่อิ่มด้วยน้ายิ่งเติมยิ่งไม่เต็ม ฉะนั้นชายหนุ่มวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปในขณะที่ร่างกายนั้นอ่อนลา้าร่างห่วยโดยแรงเต็มที่แต่ความอยากกระชุ่มกระชวยเป็นหนุ่มเป็นสาวสดใหม่ในที่สุดร่างกายแบกสังขารเมื่อไหร่เขาล้มตึง้งเคยเห็นเขียดแห้งทิศถุกเหยียบตายตากแดดไหมเขาเรียกตายอย่างเขียด น, นั่นน่ะเขาล้มลงตึง้งหน้าคว่ำลงบนเพชรเนินจินดาซึ่งมีค่าดังหนึ่งกรวดเห็นดินทราย สำหรับชาวเกาะพูดทรงภูมิขั้นสงูงอ้าแขนอ้าขาออกครึ่งชั่วโมงต่อมาหัวหน้านชาวเกาะและลูกบ้านเดินมาถึงศพชายหนุ่มเย็นและเย็นชือดแล้วหัวหน้านชาวเกาะก็บอกว่าเอา้าดูสิโอโหเจ้านี่มันจะวิ่งทำลายสถิติไปถึงไหน <c oughs> เอาพวกเรามาดู แล้ววัดที่วัดทางให้เขาหน่อยเขาจะได้สร้างบ้านลูกกอก็บอกว่าเออนายครับแล้วจะสร้างบ้านให้เขายังไงล่ะเอาเธอก็วัดเอาสิความสูงก็จากหัวเจรดเท้าความกว้างก็จากแขนซ้ายสู่แขนขวานั่นแหละที่ที่เหมาะสําหรับเขาที่สุดที่ที่เราต้องการที่แท้จริงมีแค่นั้นวันหน้าเช้ากอพูดแค่นั้นก็เดินกลับสั่งลูกบ้านขุดหลมุม เอาชายหนุ่มลงฝังและถมด้วยกรวดเห็นดินทรายซึ่งเป็นเพชรเนินจินดาประดามีทั้งหมดเอาเพชรก้อนที่โตที่สุดแต่ไม่มีค่าเลยนะหามมาวางไว้บนตรงหัวเขาเป็นเครื่องหมายพอดีนี่คือเกอะของผู้ทรงภูมิปัญญาขั้นสูงเพราะแท้ที่จริงเพชรเนินจินดาประดามีที่เราหลงกันนักนั้นก็คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นเอง แต่เมื่อเราหลงมันมากๆแสดงว่าเรามีราคาหลงเนี่ยก็คือราคะเรามีราคาต่อมันมากๆ ม, มันก็เลยมีค่าสูงเราก็เลยเรียกสิ่งนั้นว่าของมีราคาราคามาจากราคะสิ่งที่มีราคามากๆก็แปลว่าคนน่ะหลงมันมากๆเพราะคนหลงมันมากๆมันมีน้อยใช่ไหมมันก็เลยแพงเอาแพงเอาแพงเอาเห็นไหมราคามาจากราคา ชายหนุ่มคนนี้ก็จบสิ้นชีวิตไปโดยที่เรือก็ยังขังต่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้นั่งเรือนะเห็นไหมลูกเมียก็คอยอยู่ตรงน้นโครงการในหัวยังอีกเพียบเลยไม่ได้ทำสักอย่างนี่แหละคือคนที่ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชั่วโมงทองคำคุณมัววาดฝันสรพัดจะทำโน่นจะทำนี่สารพัด แล้วก็ใช้วันเวลาทั้งชีวิตเฝ้าปลนเปรเยความอยากอยากสิ่งนี้จบก็ไปอยากของใหม่ไล่กันไปไล่กันไปเป็นดังหนึ่งหมาไล่เนื้อไม่จบไม่สิ้นเพราะมีเวลาจํากัดนักแต่ว่าความอยากของเรานั้นไร้ขีดจํากัดถามว่ามันคุ้มกันไหมที่เราจะใช้ชีวิตอย่างนี้ตลอดไปอิจฉาอนันตะโครจราแปลว่าความอยากไร้ขีดจํากัดแต่วันเวลาของมนุษย์นั้นจํากัด ฉะนั้นทุกท่านทุกคนที่มาที่นี่ต้องถามตัวเองนะภายใต้กรอบเวลาที่จํากัดเราจะบริหารจัดการความอยากยังไงให้มันพอเหมาะพอดีจะบริหารจัดการความอยากยังไงให้มันสมดุลระหว่างงานชีวิตตัวเองกับครอบครัวตัวเองกับสังคมและโลกกับธรรมเราจะต้องสแสวงหาสมดุลให้ได้ระหว่างสมดุลกายสมดุลใจสมดุลงานสมดุลชีวิต สมดุลโลกสมดุลธรรมและสมดุลส่วนตัวสมดุลส่วนรวมฉะนั้นวิชาชีวิตจึงเป็นวิชาที่สำคัญที่สุดที่เรามาเรียนรู้ที่นี่เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้วิชาชีวิตเราก็จะถูกโลภาพิวัติกระแสลมของความโลภมันหอบไปเราก็จะพัดพาตามมันไปนอกจากความโลภเราก็จะตกเป็นทาาของความโกรธโกรธเกลียดชังปริษยา อาฆาตพยาบาทอันนี้เป็นกิเลสตระกูลเดียวกันทั้งหมดเลยถ้าเราไม่ได้เรียนวิชาชีวิตนะความโกรธความเกลียดริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะเล่นงานเราหลงอีกถ้าเราไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักสารของชีวิตเราก็จะหลงในยศทรัพย์อํานาจเอามาเชิดชูบูชาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นยอดของชีวิต คิว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการเกิดมาเป็นคนหารู้ไม่ว่าเอาก็จริงยศทรัพย์อำนาจเรากอดไม่ได้เลยนะทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นของของโลกเรายืมโลกมาสุดท้ายต้องส่งคืนหมดนะต่อให้หวงแค่ไหนนอนตายตาไม่หลับสุดท้ายก็ต้องยอมจำนนเงินบาทสุดท้ายเอาใส่ปากสับปเปล่ก็ดึงออกอาตมาเกิดถามมาเอาออกทําไม เขาบอกว่าใส่ไปมันก็ไม่ไหม้ไอ้ <c oughs> มันอยู่กับผมดีกว่านี่ยศทรัพย์อํานาจไม่ใช่กันของชีวิตแต่คนหลงกันเหลือเกินอยากจะได้ใครจะดีในสิ่งนี้มากๆโดยหารู้ไมมว่าชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่ง่ายๆธรรมดาสามัญยิ่งเรียบง่ายยิ่งใกล้ความสุขคนที่มียศทรัพย์อํานาจมากๆถามจริงๆแต่คุณมีชีวิตปกติได้ไหม มันเป็นพาหนะไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขหรือเป็นภาระอันหน่วงหนักของชีวิตต้องคิดมีวันหนึ่งอาตมาภาพไปหาพระมหาเทรารูปหนึ่งท่านเป็นพระมหาเทราระดับสูงมากเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะอายุเจียนเก้าสิท่านรักอาตมามากรักเหมือนลูกท่านได้รับเกียรติยศมากมายปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์นับไม่ถ้วนรางวัลกองผนเนเถนถึก วันที่อาตมาพาไปกราบท่านนั้นปรากฏว่าท่านป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ท่านจำาลกเสียไม่ได้ท่านจำอาตมาไม่ได้ท่านจำสมณศักดิ์คือชั้นยศของตัวเองไม่ได้อตาตมาพาไปกราบท่านเลขาบอกว่าหลวงพ่อท่านวมาท่านถามว่าวอไหนว่าวาชิระเมธีแล้วไง อาตมาก็สะเทือนใจมากนี่ทิมหน้าเราเลยนะหมัดเนี่ยแล้วไงแล้วไงสิเราเนี่ยนะ <c oughs> ถ้าไม่ได้ฝึกมานี่อาจจะมีอาการได้นะแว่งนะแว่งเหมะนะือนกันนะอัานจาหัวขนเราไม่ได้แล้วอ่ะเดชะบุญว่าเราเรียนวิชาชีวิตมาท่านจําไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเรารับได้พอกลับออกมาวันนั้นอาตมาลืมไปเลยว่าเราไปคุยกับท่านด้วยเรื่องอะไร พระธรรมสะเทือนใจมากสะเทือนใจอย่างสุดซึ้งเกิดซาโตริคือบรรลุธรรมน้อยๆบรรลุธรรมน้อยๆขึ้นมาว่าอันยศประดามีที่เราครอบครองนั้น อ, อย่าว่าแต่เราตายเลยมันถึงจะไม่มีความหมายแค่เราจำมันไม่ได้มันก็วางเค้แก้อยู่บนชั้นหมดความสำคัญอย่างสิ้นเชิง คำถามก็คือแล้วเจ้านี่หรือที่เราหากันมาทั้งชีวิตเนี่ยแล้วเจ้าสิ่งนี้วางอยู่บนชั้นทั้งหมดนั่นน่ะมันช่วยอะไรเราไ ด, ไ, ได้ช่วยไม่ได้สักอย่างวันนั้นทำให้ธรรมาภาพตัดสินใจอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นไปว่าชาตินี้ขอเป็นพระธรรมดานี่แหละมีความสุขที่สุดเลยเชื่อไหม แต่คนส่วนให ญ, ญ่ไม่เชื่อคนส่วนให ญ, ญ่อยากจะเป็นซั m บอดี y ใช่ไหมไม่มีใครอยากเป็นดองโนบอดี้มันเวรี่กระจอกอานามภาพอยาด ย, ยืนที่จะเป็นพระธรรมดาแต่ทว่ามีความสุขทุกวันเพื่อจะได้มีวันเวลาที่เหลือให้เยอะที่สุดเอาไว้ศึกษาธรรมะและแบ่งปันให้แก่ชาวโลกและนี่คือเคล็ดลับของการมีความสุข กลางปีนี้ธรรมาภาพได้รับนิมนต์ไปร่วมประชมุมวิสาขาบูชาโลกที่กรุงเทพมีพระนานาชาติมาเยอะมากธรตมภาพก็นั่งเครื่องจากเชียงรายไปโยมก็ซื้อตั๋วทวายชั้นประหยัดคราวนี้ไม่มีการอัพเต็มแต่ธรรมาไม่เดือดร้อนเพราะเราต่ําอยู่แล้วจึงไม่กลัวตกจากที่สูงคนกลัวตกจากที่สูงคือคนที่อยู่ในที่สูงมาโดยตลอด ธรรมานั้นอยู่ในที่ต่ำอยู่แล้วกระจอกงอๆอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาวันนั่งตรงไหนเพราะว่าเอาก้นนั่งไม่ได้เอาหน้านั่ง <c oughs> เมื่อธรรมาภาพลงจากเครื่องคณะทํารรงานก็นิมนต์เข้าห้องวีไพของสนามบินในห้องวีไพนั้นอรตมาภาพเจอพระนานาชาติมาจากทั่วโลกมีรูปหนึ่งยกมือเอ้าท <c oughs> ่านวอฮัลโหลโอ้ไม่เจอกันนานตอนนี้เป็นชั้นไหนแล้วนะ ความหมายของท่านก็คืออาตมาภาพเป็นเจ้าคุณชั้นไหนชั้นสามัญชั้นราชฎชั้นเทพชั้นธรรมชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะชั้นสมเด็จท่านหมายความอย่างนั้นอาตมาคิดในใจเมื่อกี้เรานั่งมาเราชั้นประหยัดเอาวัดตอบเลยหลวงพ่อครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นประหยัดครับวงแตกเลยจริงๆนะอยู่ชั้นประหยัด ชีวิตฉั้นประหยัด simple living เป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดถ้ามันไม่สุขใส่เหล็บทั้งหลายคนมีชื่อมีเสียงทั้งหลายทำไมถึงอยากทำตัวธรรมดาก็เยเห็นไหมไฮโซทั้งหลายนี่อยากใส่แว่นดำนะเออและแต่งตัวไม่อยากให้คนจำตัวเองได้เขาอยากเป็นคนธรรมดาที่สุดเลย เพราะว่าการเป็นคนมีชื่อมีเสียงอยู่ในชั้นสูงแล้วมันใช้ชีวิตลาบากไม่กลืนจักสรรในตายเพราะพยายามหนีตัวเองนะนั่งเครื่องบินกับชาวโลกก็ไม่ได้ไปเดินห้างกับชาวโลกก็ไม่ได้ไปพักโรงแรมกับชาวโลกก็ไม่ได้เพราะชีวิตของเขานั้น<ม> V.I.P. ทั้งหมดทั้งสิ้นสุดท้ายจึงมีชีวิตที่ ยุ่งเหยิงวุ่นวะวุ่นวายแล้วก็ตายไปบนข้อกังขาถ้าเขารู้ว่าการเป็นคนธรรมดาเนี่มันสุดยอดนะเขาจะมีอายุยืนกว่านี้ฉะนั้นเราทุกคนนะควรจะตอบให้ได้ว่าอะไรคือแก่นของชีวิตยศทรัพย์อำนาจแน่หรือยศทรัพย์อำนาจไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะถ้าเรามีปัญญาในการกินการใช้การบริโภค แต่มันจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีถ้าเราหลงมันและคิดว่ามันคือเป้าหมายของชีวิตฉะนั้นฝากทิ้งทายไว้ตรงนี้อะไรคือเป้าหมายของชีวิตไปคิดให้ดียอยู่กับสิ่งนั้นแล้วท่านจะมีความสุขน ะ, ะพระอาจารย์ก็สรุปอย่างนี้ละ่ะหวังใจว่าพวกเราทุกคนจะนำเอาสิ่งละอันผันละน้อยที่ได้มาเรียนรู้ที่นี่ ไปปรับไปพินิษไปพิจารณานำมาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสดุดแก่ชีวิตโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน เคียงทางฉันนั่งให้สบายผ่อนคลายชีวันในปัจจุบันยัดยงตรงนี้ โลก